ก็ตัวบายก็อ้าวเว้ยเงนินรอเลยปิดไม่ลงถ้าดับสักยะทิฏฐิได้เมื่อไหร่แล้วอนุปณะอากุศลอากุศลก็จะดับลงอย่างไม่มีเหลือแม้เพียงอนูเดียวกันก็ไม่มีอันนี้ดับเหมือนกันแเนี้ยดับดับเลยถ้าดับมันได้เนี่ยนะบาตรที่จะนำเอาใบานำเอาใบผุ้มดับเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือเลยน่าชื่นใจไหมแล้วทําไมไม่ดับคือเขาบอกว่า ถ้าใครดับสักยทิฐีได้แล้วเป็นผู้ไม่มีโอกาสที่จะพบเจออกักุศลกรรมมีปานาติบาเป็นต้นอีกเลยแม้ในความฝันในชาติต่อตไปท่านไม่เจอเลยรท่านไม่เคยฝันฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เลยเรายัางนอนสะดุ้งสะดุ้งฝันฝันก็ไม่ดีอยู่เลยเนี่ยตรงนี้ก็คือว่าถ้ายังมีสักยทิฐีอยู่เอาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่ทวีปน้อยอีกสองพันบินบริวาร น, นี่นะ ก็ยังถูกเผาร้นด้วยอุปปณะอากุศลและอนุปปณอากุศลทั้งสองเหมือนกําลังถูกไฟนรกครอบหน้าครอบหลังอยู่เทวดาคนที่ยังดับสักกายทิฏฐิไม่ได้เทวดาทั้งหกชั้นรูปรภพอรูปภพหมดนี่นะก็ถูกไฟนรกนี่นะครอบหน้าครอบหลังอยู่ถ้าถามบอกว่าจิตเอ้ยเนี่ยถ้าไปดูในตาล้ปุตตะบางคราว ท่านก็ให้เราเป็นสัตว์นรกบางคราวท่านก็ให้เราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบางคราวก็ทำให้ให้เราเป็นเป็ดให้เราเป็นอสุรกายบางคราวก็เป็นมนุษย์บางคราวก็เป็นเทวดาบางคราวก็เป็นพรหมบางคราวก็เป็นอรุพรพมเราถูกท่านหลอกมานั้นแล้วฉะนั้นถ้าพูดถึงมนุษย์เทวดามารพรหมที่เป็นบุรุชนที่มีสักยะทิฏฐิเราไม่ใช่ใครคือเราขึนเป็นอย่างเงี้ยคําสอนเป็นแบบเนี้ยเปิดออกมาก็เป็นอย่างนี้เลยคําสอนเนี่ยสรุปออกมาในพระไตรปิฎกก็เป็นอย่างนี้เลย เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอ่านไปเหอะก็จะมาเจออย่างเงี้ยเจอตัวเองหมดเลยเป็นบุรุชนที่มีศักยญาติที่ เ, เราทั้งนั้นนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายอ่ะเป็นผู้ถูกเผาล้นอยู่เช่นเดียวกันประกอบด้วยความคับแคบถูกเชือกคือนรกมัดอยู่ให้จมลงดำลงอยู่ในโอคาใหญ่กามโมคาพระโอคาที่โถคาวิโชคาและจมอยู่ในภัยใหญ่ในวัดจตสงสาร เพราะอุปัณนะอกุศลและอนุปนันณะอกุศลนี่แหละเนี่ยเราก็ถูกไฟล้อมหน้าล้อมหลังกันอยู่อย่างเงี้ยเอาแต่นี้เรารู้แล้วสองส่วนเนี่ยให้เรียนสมภิทานต้องเรียนอย่างเงี้ยจะเห็นโทษต้องมองนี้เห็นภาพสรุปอย่างเงี้ยพอเห็นไมมันเนี่ยพูดสรุปนี่พอเห็นไหมหรืตอตรงไหนมันยังขาดตกบอกพร่องที่มันมองเห็นแล้วมันไม่เห็นภัยอะ่ะเอาต่อไปก็คือว่าประโยชน์ที่นี้ทํายังไงเราจะหลุดพ้น ใช่ไหมการที่จะหลุดพ้นจากอุปันณอกุศลและอนุปันณอกุศลคือหลุดพ้นจากทุจริตเก่ากรรมเก่าที่มันจะตามมาให้ผลการหลุดพ้นจากทุจริตใหม่กรรมใหม่บาปประกรรมใหม่ที่จะทําไปในวันข้างหน้าจะออกได้ยังไงตอนนี้ต้องมาคิดถึงประโยชน์ประโยชน์ที่แท้จริงในการที่เราท่านทั้งหลายปรารถนาแล้วปรารถนาในการที่จะได้อัตภาพมนุษย์ปรารถนาในการที่จะมาเจอคําสอนของพุทธศาสนา ปรารถนาในการที่ได้ฟังพระสัทธรรมปรารถนาในการเข้าเฝ้าฐานะเหล่านี้เราได้หมดแล้วได้แล้วฉะนั้นประโยชน์ที่แท้จริงของปรารถนาที่พบพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่หาได้ยากในสังสารวัตรที่ผ่านมายากมากถ้าประโยชน์ที่เราตั้งจิตใจกันมาในอดีตที่ปรารถนามาพบศาสนาของพระพุทธวภาคอันเปรื่อยเนี่ยก็เพื่อจะได้มีโอกาสดับไฟไฟก็คืออุปนณอากุศล กับอนุปปณะอกุศลนี่แหละก็ไฟก็คือทุจริตเก่ากรรมเก่าทั้งหลายที่มันตามเผารนุนข้างหลังมาเนี่ยทุจริตใหม่บาปใหม่ที่จะทําต่อไปก็กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตที่จะทําต่อไปในนะในวินาทีข้างหน้าต่อไปเนี่ยเป้าหมายก็คือต้องการจะทําลายเดี๋วนี้กุปณกปณะอกุศลอนุปปณะกุศลในชาตินี้ให้ได้ตั้งมากันอย่างนั้นตั้งว่าจะต้องมาทําลายในชาตินี้ให้ได้ ไม่ใช่ว่าตั้งเพื่อจะไปทําลายชาติหนะ้ามันเลยทงแล้วมันจะหมดโอกาสเอามันเป็นอย่างนี้ได้หลักคืออย่างนี้แหละไม่มีใครเลยนะปราฏถนาเจสถานาของพระเจ้าแล้วก็ปรารถนาเจอต่อไปแล้วปรารถนาเจอต่อไปไม่มีอย่าไปคิดอย่างนั้นมันคิดไม่ตรงมันต้องการดับอุปนิสกุศัอนุปนิสกุสันในชาตินี้ให้ได้ทีนี้การที่จะทําลายอนุปนิสกุสันอุปนิและอนุปนิสกุศันเนี่ย ได้นั้นต้องทำลายสักยะทิฐิให้ได้สักยะทิฐิที่มีวัตถุยี่สิบเนี่ยถ้ายังดับไม่ได้ปะัะอากุศลอนุปนัญอากุศลไม่ได้เน้นมนุษย์เทวดาพรหมเนี่ยนะที่เขาบรรลุปเป็นพระโสดาบันเนี่ยที่เป็นอย่างนางวิสาขามหาอุบาสิกาอนาถาพินิกาเศรษฐีเป็นต้นเหล่าเนี้พระเจ้าพิพิสารเป็นต้นเนี่ยบุคคลเหล่าเนี้ยนับไม่ได้เขาดับสักยะทิฏฐิได้แล้ว หลุดพ้นจากการจมอยู่ในโอคาสงสารในสุดจริงๆเขาจะย่อมบรรลุถึงเสาเขาได้เสาปาทิเทเสสนิพานแล้วใช่ไหมท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยจะไม่มีการกลับไปเป็นโลกย่ชนเขาเป็นพระยา่าเจ้าสวยความสุขในลําดับแห่งพบแล้วเนี่ยกะอุปนณอกุศลอนุปนณาอากุศลเขาดับได้ไงคือเขาถอนสกฤตทิฏฐิได้ที่เป็นงนี้เขาใจใช่ไหมนี่เขาสบายแล้ว ทนี้เราก็มาพิจารณาตทเนี้เอาประการต่อมาสรุปเลยทีนี้เดี๋ยวจะยาวไปใช่ไหมตรงนี้เพราะเราไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะแสดงสมมทบทานนี่มาแสดงในด้านของเกี่ยวในเรื่องของอุปนนะกุศลและอนุปนนะกุศลใช่ไหมก็คือเกี่ยวในเรื่องของการแสดงคือหลักตรงนี้ท่านแสดงเกี่ยวเรื่องขอ ง, อ ง, ของศีลสมาธิปัญญานี่แหละ สรุปตรงนี้ก็คือว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะจําแนกอุปนณะและอนุปนณะอุปนนะกุศลและอนุปนณะกุศลในภพนเนี่ยนะหรือในอดีดเนี่ยถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็คือว่าอุปันณะและอนุปนนะในชาติเนี่ยบุคคลที่ไม่สามารถรับศีลอย่างใดอย่างหนึ่งเลยในชาตินี้เขาเรียกว่าอนุปนันณศีลใช่ไหม แต่ถ้าเคยสมาทานศีลเอาไว้ชื่อว่าอุปนณศีลสมาธิและปัญญาที่ไม่เคยเกิดขึ้นในขันธสันดานในชาตินี้ชื่อว่าอนุปนนะส่วนสมาธิปัญญาที่สามารถเจริญเกิดขึ้นได้ชาตินี้ก็เรียกว่าอนุปนนะเป็นต้นอันนี้ก็แยกอย่างนี้คืออย่างนี้ศีลมีโลกยียะศีลและก็โลกุตร萨ศีลยะพูดไปก็จะเข้าใจยากนี่นะโลกียะศีลนั่นะชื่อว่าอุปนนะเพราะในสังสารวัฏอันยาวนานเนะ่ยนั้นนะที่จะไม่เคยเกิดในสันดานของตนไม่มี ส่วโลกุตรศสีนั้นชื่อวอนุปันธเพราะไม่เคยเกิดใช่ไหมอันนี้ก็โลกียะสมาธิก็ในรักขนาดเดียวกันที่ไม่เคยเกิดไม่มีแต่โลกุตรสมาธินี่แหละเป็นอนุปนะันธไม่เคยไม่เคยเกิดเลยในกระแสะขันปัญญาโลกียะปัญญาเนี่ยกับโลกุตระปัญญางั้นโลกียะปัญญาเนี่ยเคยเกิด ถ้าบอกว่าปัญญานี่นะโลกเยาปัญญาเนี่ยในชั้นของทิศถิวิสุทธิกลางขาวิตรนาวิสุทธิมัคคามัคะญ า, าทัทสนวิสุทธิปฏิปทายาณทัทสนวิสุทธิชื่อว่าโลกเยะปัญญาโลกเยาะปัญญาในะชื่อว่าอุปันนะบุคคลผู้เคยเกิดในสมัยพพุทธเจ้าองค์ก่อนๆวิปัสสนาญาณเหล่านี้เคยเกิด แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยเกิดในสมัยของพระเจ้าองค์ก่นกอนๆเลยชื่อว่าอนุปณนนะไปเช่นว่าเป็นพวกเดรัจฉีที่คนเรื่างต่างๆไปฮะปัจจัมันเยอะใช่ไหมพระเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นมาตั้งนานตนเองไม่มีอัธยาศัยเหล่านี้เลยเนี่ยในสังสารวัตรเนี่ยแต่ว่าก็เคยมีก็ลืมลืมแต่ก็สรุปแล้วก็เป็นอยู่ในกลุ่มที่ว่าไม่ไปเป็นวิชาที่ถีไปซะแล้วเนี่ย ทีนี้ก็มาพิจารณาลักษณะอย่างนี้ยประเด็นก็คือว่าศีลที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวสัมมาวาจาสมากมตาสมาชีวะเนี่วิรตีสามตัวเนี่ยที่เกิดขึ้นในเกิดขึ้นประกอบกับโสวดาปานิมักที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เคยได้ไหมไม่เคยได้เนี่ยงไงศีลที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสัตดานของอสัตว์เลยศีลชนิดนี้ทําลายกายยทุจริตรวจีทุจริตรแล้วก็ มิชฉาอาชีวธรรมในสันดานบุคคลนั้นที่สืบต่อมาจากพจน์ก่อนๆและก็ไม่เคยเกิดอีกเลยเพราะเขาตัดขาดแล้วหลังจากเจริญวิปัสสนาจนสามารถเห็นไตรลักษณ์โดยเฉพาะอนัตตาเนะี่ยชัดเจนเนะสามารถเข้าถึงโล ก, กุตรศีลได้บุคคลที่มีบุญได้เกิดมาพอพุทธศาสนาเนะี่ยควรพยายามอย่างเต็มที่ย่อมวรวาสนะควรพยายามให้เต็มที่เพื่อจะให้อนุปนันศีนีย ที่ยังไม่เคยเกิดเลยอย่างยาวนานในสังสารวัฏเนี่ยนะก่อนที่จะพลาดจากศาสนาของพระบรมศาสดาอันประเสริญนี้ก็ตั้งอัธยาศัยไว้เมื่อได้ตั้งอยู่ในศีลและเจริญกายะคตาสติหรือเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นแลวเจริญโพธิปักยธรรมแล้วเนี่ยเพื่อให้สำเร็จในภาวนาระดับสูงแล้วก็ได้อนุปนันนัสสีศีลที่ไม่เคยได้มาเลยอย่างยาวนานเนี่ยน่าสนใจไหมเนี่ยตรงเนี้ย นี่วิธีคิดใชนี่เขาเรียกว่าอนุปนัณสีนี่ก็กลุ่มของภาวนากุศลนั่นแหละเนี่ยกลุ่มไหนกลุ่มของที่พูดถึงในเรื่องของคําว่าอนุปันนานังกุสลานังดัมมานังอนุปาทยาวายามนี่ไม่เคยเกิดถ้าอุปันานานังกุศรานังธรรมานังพินโยวายามะวายโมเนี่ยทำ พวกศีลระดับ ส, สูงที่เกิดแล้วให้เจริญไปบูรยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ทําระดับวิสุทธิทั้งหลายเหล่านั้นที่สูงสูงขึ้นไปเพียรพยายามทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงชั้นประกอบประชุมในโลกุตละเป็นต้นอุปนัศีลที่เคยเกิดมาแล้วในสังสารวัฏอย่างยาวนานเนี่ยโหกามาวาจรศีนอย่างเงี้ยโลกยะศีนอย่างเงี้ยเยอะแยะหมดเลยเกิดมาหมดไอตรงนี้ไม่ต้องไปแยกในรายละเอียดถ้าแยกมันจะยาวไปตรงนี้พยายามจะไม่นั่น อนุปปณะสมาธิสมาธินะอปปนาสมาธิคือสมาบัติถ้าพูดถึงอย่างนี้ว่ามีพุทธพจน์อยู่ในเ ว, เ ว, เ ว, เวทัละสูตรบอกว่าโยจะวิสาขดาสัมมาวายโมยาจะสัมมาสติโยจะส ม, มาธิฏฐิอีเมร ม, มาส ม, มาธิขันเทสังขิตาบอกว่าสังขีตาบอกว่า ดูก่อนวิสาขะทำเหล่านี้คือสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสังข้อเข้าในสมาธิขันสมาธิเหล่านี้สมาธิเหล่านี้ยังไม่เคยเกิดกับเราเลยเนี่สัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิที่เกิดอยู่ในโสดาปิมักที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ที่ว่าโลกุตละสมาธิสมาธิทั้งสามเนี่ยย่อมสามารถที่จะละมโนทุจริตอภิชาพยาบาทมิฉาวายมะมิฉาสติและก็มิฉาสมาธิเป็นมูลได้ โดยสมุดเฉทพรปหารหลังจากทําลายพยาบาทเป็นต้นแล้วในสันดานของบุคคลนั้นจะไม่มีมโนทุจริตเหล่านี้เลยนี่นะหน่อยเพราะอะไรเพราะเขาได้พบศาสนาอันประเสริฐของพระเจ้าแล้วก็ทําสมาธิระดับนี้เกิดขึ้นมาเป็นต้นไดน้นี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้ส่วนลักษณะของปัญญาที่ยังไม่เคยเกิดที่ควรจะทําให้ภัยบุญยิง่งยิ่งทำให้เกิดขึ้นก็นคืออนุปปนาปัญญาก็คือว่า สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกประส่งข้อเข้าในปัญญาขันสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกประที่เกิดร่วมกับโสดาปิมรักเป็นต้นอมีพรนิพพานเป็นอารมณ์นั้นชื่อว่าปัญญาขันสักยทิฏฐิอนุสัยภูมิพร้อมทั้งมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกประทศเจริตทั้งหมดก็ถูกทำลายโดยสิ้นเชิงในปัญญาขันเป็นสมุทเฉทฆะปะหารอันนี้ก็แล้วแต่สภาพของมรรคแต่อันนี้แหละนะ ถ้าพูดถึงบอกว่าในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าในสังสารวัฏอันยาวนานโลกียะสีโลกียะสมาธิโลกียะปัญญาที่เราเคยได้เยอะแต่มันไม่ได้เป็นปัจจยยัยในการพ้นทุกข์เขาใช่ไหมแต่ว่าโลกียะเอะเกี่ยวในเรื่องของโลกุตระสีโลกุตระสมาธิโลกุตระปัญญานี่แหละงั้นในขณะที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏพวกเราทั้งหลายบางครั้งก็ไป เป็นอาจารย์ผู้แตกฉานในหนังสือบางคาวลงต่ำเป็นอบายศาสตร์เป็นหอยเป็นทากนี่ตรงนี้เราว่าเข า, เขาถึงบอกว่าตั้งมาในศีลเจริญสติปัฏฐานให้สำเร็จเสียจะได้พ้นจาก ส, ำสำังสารคือสมประฐานก็ท่านก็นมาแยกเป็นสองส่วนเพื่ อ, อยังกุศลธรรม ท, ที่ยังไม่เกิดขึ้นในสันดานของตอนให้เกิดขึ้นในสันดานของตอนใช่ม เหล่านี้ยังไม่เกิดต้องเพียนเพื่อจะให้เกิดแล้วเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ทํากุศลเหล่านี้ให้เจริญจริงๆขึ้นเนี่หนึ่งเป็นระยะบุคคลแล้วยังต้องเพียนให้จริงๆทําให้พินโยภัยบุญจริงจริงเป็นประสดาบันเป็นสกาธานะครับเป็นพระสารนนั่นแหละฉันจบกิจนั่นแหละนั่นแหละมูลมูลคือตรงนั้นสาเหตุคือตรงนั้นพอจะสรุปประเด็นตรงนี้ได้เนาะเป็นสองชั่วโมงแล้วเห็นไหมเนี่ยว่พูดอย่างนี้อ้า่ต่อไปก็อะไรต่อ ออาต่อไปสติตรงนี้ก็มาพิจารณาอย่างนี้นะในลักษณะของสติเนี่ยเพราะว่าสติเนี่ยกล่าวในไหลในยะคือที่ไปที่มาก็มีเยอะมากนี่นะอภิลาปนรารคณาเนี่ยเห็นเห็นเยอะไม่มีการไม่เลือ่อนเรือนเป็นลักษณะก่อนเนี่ยนะอสัมโมอสามโมสานารส า, ามีการไม่หลงลืมเป็นกิจ อารักขาปัจจุปฐานามีการอารักขาเป็นผลปรากฏนะหรือมีหรือวิสยาพิมุขขาภาวาปะปัจจุปถานาวาก็ได้มีการมุ่งหน้าต่อลมเป็นผลแล้วก็ธิรัสัญญาปัจจุฐานามีสัญญาที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้ไนดะ้หรือกายาทิสติปัจจุฐานาวามีสติมีส ต, สติคือกายเป็นต้นเป็นเหตุใกล้เดี๋ยวอธิบายศัพท์กันหน่อยนะ ความระลึกไนงะชื่อว่าสติความไม่หลงลืมเนะีคือความไม่หลงลืมเนะี่ยก็คือระลึกได้อีกนายหนึ่งสติเพราะอาจจะว่าเป็นเครื่องระลึกอันนี้เป็นกะนะัลยาณ์เนี่ยเป็นเครื่องระลึกหรือลักษณะระลึกเองหรือเพียงระลึกเท่านั้นนี่นาะยวิธรรมมถาวิภาวณีท่านก็แสดงออกว่าสัมยตานังสารณารคณาก็แปลว่าสตินะั้นมีการยังสัมยุตธรรมให้ระลึกด้วยนั้นะเป็นลักษณะด้วย บันเด็จก็เห็นสติเหมือนกับเสาเขื่อนว่ตั้งอยู่มั่นคงในรมดุจนายประตูรักษาประตูหรือรักษาทวารเช่นรักษาจากักรทวารเสดทวารข้านาทวารชิวหาทวารกายทวารบุโอทวารก็เหมือนกับนายทวารคอยดูไม่ให้บาปกุศลเกิดขึ้นนั่นเองท่านนายอภิธานวานานาขั้นวิเคราะห์สติว่ามาจากคาว่าประมาทังสรติหิงสติติสติก็แปลวชื่อว่าสติเพราะอัถว่าเบียดเบียนความประมาทว่างั้นเบียดเบียนความประมาท สารณธาตุในความคิดและในความเบียดเบียนก็ได้ลงติปัจใจแล้วก็ลบละที่สุดธาตุเสียก็สำเร็จเป็นสติไปก็แปลว่าเบียดเบียนก็ได้นียเบียดเบียนก็ได้หรือคิดเพราะมันมาจากสาระธาตุเบียดเบียนอะไรเบียดเบียนความประมาทเนี่ยในลักษณะสติเป็นอย่างนี้ทีนี้ที่จริงสติเนี่ย ถ้าในชั้นของอภิธรรมและก็วิสุทธิมร์นี่นะเอามารวมๆกันเนี่ยกนะ็ <g ül> จะเห็นอย่างนี้ว่าอภิลาปนลัคนาสติอุปปัคนหานาลัคนาจะสองความหมายนี่นะลักษณะคือสภาพธรรมที่ให้ธรรมที่เกิดพร้อมกันกระตนระลึกมั่นต่ออารมณ์ของสติปัฏฐานนี่นะในแรกเลยนะ ทำให้สภาพธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนอะไรบ้างที่เกิดพร้อมกับสติศรัท ธ, ธาหิริโอตปาอะโลพาอโทศาสตตะระมชตตากายปสัสสติจิตาปสัสสติกายาลหุตาจิตาลหุตาเป็นต้นอันนั้นคือสภาพธรรมที่เกิดพร้อมกันกับสติทีนี้ถ้าสภาพธรรมที่เกิดพร้อมกันกับสติใช่ไหมศรัท ธ, ธาความเชื่อความเลื่อมใสในคุณของพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ในสิกขาสามเป็นต้นเพราะสตินี้เป็นสภาพธรรมที่ตั้งมั่นในอารมณ์ใช่ไหมนี้ในที่นี้ยลักษณะแรกเนี่ยสภาพธรรมที่ให้ทําที่เกิดพร้อมกับตนเนี่ยระลึกมั่นต่ออารมณ์ของสติปัฏฐานเป็นต้นเช่นในกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตาแล้วก็ธรรมานุปัสนาระลึกเนี่ยก็คือสรุปก็คือระลึกในขันห้านี่แหละในรูปประขันในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือรูปกับนามนี่แหละ ทำให้สภาพธรรมระลึกในอารมณ์ที่เกี่ยวกับกุศลธรรมเนี่จะระลึกถึงคุณของพุทธธรรมประสงค์เป็นต้นอันนั้นคือสภาพของสติเขาเรียกว่ามีความตั้งมั่นในอารมณ์ด้วยความมั่นคงเหมือนก้อนหินไม่เหมือนลูกน้ําเต้าที่ลอยไปตามกระแสน้ำนี่แหละเหมือนกับแผ่นหินมันจมแผ่นหินเนี่ยโยนลงน้ําปุ๊บเนี่ยจะจมดิ่งลงไปเลยมั่นไหมแล้วมันจมดิ่งอย่างไหละ ไม่ลอยเหมือนกับลูกน้ำเต้าลูกน้ำเต้าโยนลงน้ำเป็นไงไปแล้วลักษณะสติจะไม่เลื่อนลอยอย่างนั้นจะไม่เลื่อนลอยอย่างนั้นนะมา เ, เลื่อนลอยลอยจริงๆเลยใช่ไหมลอเป็นอย่างงั้นอันนี้ระลึกอะไรก็ไม่เห็นเงนี้ยจะเป็นสติได้ไหมนี่เป็นอย่างนี้หรืออีกในหนึ่งก็คือว่าสภาพธรรมที่ระลึกมั่นเองนี่ตัวเองเลยนะ สภาพธรรมที่ระลึกมั่นเองเมงื่อกี้คือสภาพธรรมที่ทําให้ธรรมที่เกิดพร้อมกับตัวระลึกทีนี้สภาพธรรมที่ระลึกมั่นเองต่ออารมณ์ต่ออารมณ์ออมออมก็คือรูปนามขันห้าก็คือสติปัฏฐานตัวเองระลึกเองตัวระลึกมั่นไม่มั่นแล้วก็ตั้งเป็นที่ตั้งของสติเหมือนแผ่นหินที่จมไม่เหมือนกับลูกน้ําเต้าเหมือนกันสรุปสองความหมายเนี่ย สองความหมายในหนึ่งในสองก่อนเนี่ยทีนี้ถามาพิจารณาอย่างนี้ว่าลักษณะแรกให้ทำที่เกิดความกับตนก็คือให้ศรัทธาให้โอดัปปะเออใช่ไหมให้อโรภะให้อโทสังให้ตัตธ ร, รมชาตตากายปสัสสติจิตปสัสสธิกายหูตาจิตระหูตากายยะมุตุตาจิตตามุรุตา กายกรรมมัญญาตาจิตตากรรมยิจาากายยะปาคุณญญตาแล้วก็จิตาญญาตาปาคุณตากายุชุกตาจิตตุชุกตาใช่ไหมให้กรุณามุริตาสัมมาวจาสัมมากรรมตาสัมมาชีวะให้ปัญญาด้วยเห็นไหมเขาเรียกให้ทําที่เกิดพร้อมเงินตนแล้วก็ให้ภาษาเวทนาที่เกิดร่วมเงินเขาด้วยมีความที่จะระลึกมั่นต่ออารมณ์แล้วก็ได้ทํากิจอย่างนี้นัถ้าเป็นไตรกุศลและสติจะต้องมาเกี่ยวข้องหมดเลย ตั้งแต่ทานกุศลศีลกุศลไปเถอะแม้แต่ในชั้นของการค่าครัวในชั้นการปฏิบัติอย่างเงี้ยที่กล่าวเนี่ยอีกในหนึ่งสภาพธรรมที่ไม่ให้อารมณ์มีรวบนามเป็นต้นเนี่ยอันเป็นที่ตั้งของสติลอยดุดลูกน้ําเต้านอกจากนี่นะสามลักษณะนี้ก่อนนะเออถ้าเราดูอย่างนี้ก็คือว่าดูสามลักษณะจะเห็นชัดว่าในแรก พูดถึงสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับเขาคือศรัทธาหิริโอตปาอโลภาโทสาเป็นต้นหรือภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเป็นต้นเนะกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดพร้อมกันกับสติถ้าเต็มอัตราศึกเลยสามสิบแปดบวกจิตอีกหนึ่งเลยไหมคือทําให้สภาพธรรมคือจิตเจติกเหล่านั้นน่ะในเวทนาขันสัญญาขันสังขารแขันเหล่านั้นวิญญาณขันเหล่านั้นให้สภาพธรรมเหล่านั้นเนี่ย ที่เกิดพร้อมกัตบตนเราบึกมั่นต่อรมของสติปัฏฐานดุดแผ่นหินที่จมไม่เหมือนกับลูกน้ําเต้าประการต่อมาก็คือในที่สองคือสภาพธรรมที่ระ ล, ลึกมั่นเองต่อรูปนามขันห้าติก็ดุดแผ่นหินที่จมไม่เหมือนลูกน้ําเต้าอันนี้สองในยะในยะสามนี่ไม่ใช่อย่างนั้นและเป็นสภาพธรรมที่ไม่ให้อารมณ์คือไม่ให้รูปนามขันห้า ไม่รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเป็นต้นน่ะอันเป็นที่ตั้งของสติเนี่ยหลุดลอยไปดุดลูกน้ําเต้าคือไม่ให้ลอยไปจากใจเลยอ่ะถ้าจะระลึกพุทธคุณพุทธคุณก็อยู่ในกระแสะใจถ้าระลึกพุทธคุณแต่พุทธคุณหายไปแล้วรลึกรำมคุณทำมคุณก็หายไปแล้วอยู่ไหมไม่อยู่งั้นให้อารมณ์หายไปไหนระลึกถึงศีลเนี่ย ศีลหายไปแล้วไม่ใช่เห็นไหมนอกจากทําให้สภาวธรรมตั้งมั่นให้อารมณ์ตัวเองตั้งมั่นในอารมณ์แล้วยังทําให้อารมณ์ไม่ให้หลุดลอยหายไปจากใจด้วยแล้วก็มานั่งคิดดีเราเนี่ยกําลังจะดูลมหายใจนิดเดียวเนี่ยหายไปไหนลมก็หายอสติก็หายทําที่เกิดพร้อมกันสติไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมมันหลุดหายไปแล้ว เขาบอกให้เฝ้าของดูอยู่ดีๆเนี่ยเผิ่มแป๊บเดียวหายแล้วทำไมสติเราเป็นอย่างนั้นเป็นบ่อยไหมเข้าใจอยังว่าบางทีเรานึกว่าเรามีสตินั่นคือการไม่มีสติก็เพราะว่าลักษณะสติเนี่ยมันหายก็แปลกสภาพธรรมนะฉะนั้นสภาพธรรมในที่นี้ขับเน้นขับเน้นทั้งทั้งจิตและเจได้สิกนะ ที่เกิดพร้อมกันสติสภาพธรรมวันนั้นเน่เขาจะมีการรักษาอารมณ์ไว้ไม่ปล่อยให้อารมณ์นั้นหลุดลอยไปจากใจเขาต้องคอยระมัดระวังกันอย่างนั้นทีให้เป็นให้เป็นนายประตูไปเฝ้าอยู่ด่านก็ไม่หลับนั่งคอยเช็คคอยตรวจเอาจริงเอาจังตรวจตาคนที่จะเข้าคนที่จะออกพยายังมันเป็นอย่างนี้สติจะเป็นอย่างนี้เลยตื่นอยู่เจนนิด ไม่มีแวบเผลอไปทั้งอื่นไม่มีลักษณะสติให้เป็นอย่างงั้นแล้วนี้มันอะไรเนี่ยแค่ถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นภาพของสติชัดใช่ไหมเราจะได้รู้ว่าโอ้เราไม่ได้ค่อยบํารุงไม่ค่อยเลี้ยงดูไม่ได้ดูแลสติเนี่ยเพราะว่าสภาพธรรมที่แม่อารมณ์มีรูปนามเป็นต้นนะเป็นที่ตั้งของสติหลุดลอยไปดุดลุ่นคือสภาพที่มั่นคงต่ออรมแล้ว เขาคอยใช่ไหมนอกจากว่าหนึ่งก็คือทาสภาพธรรมที่เกิดพร้อมคนให้ตั้งมั่นสองตัวเองตั้งมั่นสามก็คือว่าสภาพธรรมที่ไม่ให้อารมณ์ของสติปัฏฐานไม่ให้อารมณ์ของสติและธรรมที่เกิดพร้อมกันสติช่วยการอารักขาอารมณ์นั่นเลยเอางั้นะไม่ให้หลุดลอยไปเป็นสภาพที่มั่นคงต่ออารมณ์เลยมั่นคงมากทีนี้ในที่สี่ ในที่สี่ก็คือสภาพธรรมที่ให้ระลึกถึงกุศลความดีใช่ไหมสิ่งที่สําคัญมากนะไม่ใช่ไปหลักคําว่าระลึกถึงกุศลความดีเนี่ยนะต้องเข้าใจด้วยนะมีสติประฐานเป็นต้นก็แปลว่าไม่ใช่ระลึกสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้นะแต่สภาพที่เข้าไประลึกเนะ่ยเป็นสภาพที่เป็นกุศล ระลึกอกุศลที่ดับไปแล้วก็ได้อกุศลที่จะเกิดก็ป้องกันได้อย่างนี้เป็นต้นเลยเนี่ยนะเข้าใจใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าพอพูดถึงว่าสภาพที่ให้ระลึกถึงกุศลความดีมีสติปัฏฐานเป็นต้นเดี๋ยวจะไปเข้าใจศัพท์นี้พี่เดี๋ยวไปเข้าใจศัพท์นี้ผิดยุ่งเลยตจะนี้ <c oughs> นี่มองออกใช่ไหมว่าสตินั้นระลึกบาปได้อเนี้ย <c oughs> นั่นแหละคือรักษาตรงนั้นได้ได้สภาพที่ให้ระลึกถึงกุศลความดี ก็คือมีสติปฐานเป็นต้นนี่เป็นอย่างนี้สี่นายาัยยะริงมีอีกในหนึ่งเ น, น่ต่อไปก็คือในลักษณะของกิจรักร์ใช่ไหมกิจรักษาก็คือว่ากำจัดความประมาทการขาดสติที่ทำให้ลมหายไปได้กิจของเขาจะต้องกำจัดความประมาทใช่ไหมกำจัดการขาดสติทำให้อารมณ์หหายไปคือการรักษา รักษาอารมณ์นี่อย่างมั่นเลยในกิจรัสาของเขาเนี่ยสภาพที่รักษาข้อปฏิบัติดีมีประโยชน์ทั้งหลายนั่นด้วยที่นะเนี่ยลักษณะจะเป็นอย่างนี้อันแรกก็คือว่ากำจัดความประมาทคือการขาดสติก็คือรักษามั่นหรือสภาพที่รักษาข้อปฏิบัติหรือความดีที่มีประโยชน์นั้นเขาจะรักษากุศลศีลเนี่ยสมาธิและปัญญาเป็นต้น เขาจะรักษาสิกขาสามได้ดีมากสติ เ, เขารักขาได้ดีมากถ้าพูดถึงว่าถ้าให้คนไปเฝ้าประตูเนี่ยคนที่ไปทําหน้าที่เฝ้าน่ะเหมือนสตนินี่ก็เหมือนกันถ้าไปรักษาทางทวารตาหัวใจหกเลินกายใจเขาจะไม่ให้สิกขาสามคือประโยชน์ทั้งหลายเหล่าเนี้ยหลดท้ายไปเลยอย่างนีน้อย่างนี้เป็นต้นส่วนปัจจุปฐานนะ ก็มีบอกว่าสภาพธรรมที่รักษาจิตหรือรักษาอารมณ์หรือสภาพธรรมที่เป็นเหตุมุ่งหน้าต่ออารมณ์ของจิต 3. สองลักษณะนะสองลักษณะนี้คือสติคือสภาพธรรมที่รักษาจิตและก็รักษาอารมณ์ใช่ไหมเขารักษาจิตให้อยู่กับกุศลไหมแล้วก็รักษาอารมณ์ไม่ให้อารมณ์หลุดไปนั่นคืออาการปรากฏแล้วสภาพธรรมที่เป็นเหตุมุ่งหน้าต่ออารมณ์ของจิต มุ่งหน้าเลยใช่ไหมมุ่งหน้าต่อรมทีนี้การมุ่งหน้าเนี่ยเดี๋ยวท่านจะไปแยกกันระหว่างมุ่งของมานสิการกับมุ่งของสติถ้าต่างกันยังไง <c oughs> เดี๋ยวก็จะไปขยายเชื่อมติดต่อกันเองเนีประทัด ฐ, ฐานของสติเนี่ยมีสองประทัด ฐ, ฐานสัญญาความจําที่มั่นคงอย่างหนึ่งแล้วก็สติปัฏฐานมีกายมีเวทนามีจิตและมีธรรมะอย่างใช่ไหมมีสองอย่างนั้นคือประทัด ฐ, ฐานคือเหตุใกล้ ทีนี้ในชั้นของมหาดีกาท่านขยายเข้าไว้สตินิสภาวะระลึกนะท่านบอกว่าสติกรบมนานัสการมีผลคือสภาพธรรมที่มุ่งตรงต่ออารมเหมือนกันสติกรบมนานัสการเนี่ยมุ่งหน้าต่อตรงต่ออารมตรงส่วนอารมเนเหมือนกันต่างกันก็คือมนานัสการมีลักษณะนำธรรมะที่เกิดความการกัะตนน่ยมุ่งต่ออารม มนัิการธรรมชาติที่มุ่งและนำสัมบยุตธรรมมุ่งต่ออารมณ์เนี่ยเพราะเป็นเหมือนธรรมที่เกิดพร้อมกันตนเข้าไปสู่อารมณ์แปลว่าทําให้ธรรมะตนมุ่งต่อสู่อารมณ์ด้วยและทำธรรมะที่เกิดพร้อมตอนนี้มุ่งต่ออารมณ์ด้วยแต่สติเนี่ยมีลักษณะมุ่งหน้าต่ออารมณ์นะโดยไม่ทำไม่ทำให้อารมณ์นั้นหายไป สติเป็นอย่างนี้นะมุ่งตรงต่ออารมณ์จริงแต่รักษาไม่ให้อารมณ์นั้นหายไปอย่ากใจแต่มนสิการเนี่ยทําสัมยุตธรรมนะมุ่งตรงต่อสุลมโดยประกอบกับธรรมที่เกิดพร้อมกับตนไว้กับอารมนะไม่ได้ขับเน้นที่อารมณ์ด้วยแต่สติเนี่ยขับเน้นที่อารมณ์ด้วยรักษาไม่ใหอารมณ์นั้นหลุดลอยไปเช่นลมหายใจเข้าออกไม่ให้หลุดลอยไปแม้หลุดลอยไปก็ยังตั้งรอยอยู่นั่นเลยในส่วนจริงก็สามารถระลึก จนกลับมาได้เนยไม่ลมหายใจกลับมาได้เข้าใจใช่ไหมนี่ลักษณะเขาจะมีจุดต่างกันในลักษณะอย่างนี้